รองเท้ากับน้ำนำโชคนายพลมีบ้านที่สวยและหรูที่สุดในเมืองตอนเขาจัดปาร์ตี้ทุกคนจะมาร่วมงานกันโอ้ไม่แน่นอนราชาฮานเป็นราชาที่มียุคสมัยที่ดีที่สุดทุกคนมีความสงบและเรียบง่ายมากสมัยนี้ไม่มีใครแคร์กันเลย ฉันไม่เห็นด้วยนะสภาพแวดล้อมเรามันเปลี่ยนและพัฒนาไปได้มันต้องเติบโตและสมัยนี้คนก็ยังแขงกันดูสิมีแขกหลายคนมางานนี้และพวกเขาเน่ยก็แข่ฉันที่ปรึกษารู้ดีว่าไม่มีใครแข่ผู้จัดงานหรอกแต่เขาไม่รู้ว่าเมื่อทุกคนกลับไปแล้วนายพลจะตัวคนเดียวในบ้านใหญ่อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยตอนนี้พวกเขาไม่ว่าง แต่ฉันมั่นใจว่าปูกเขามาเพื่อมาหาฉันไม่ใช่เพื่อ ง, งานฟรีเอเอใช่แน่นอนอท่านครับคือผมเกรงว่าแก้วหมดแล้วล่ะครับแก้วหมดเหรอหมายความว่ายังไงคือคือไม่มีแก้วให้กับแขกแล้วล่ะครับเออฉันรู้นะ่ะแต่ฉันหมายถึง แต่ว่าคือท่านท่านบอกว่าเงียบไปเอาแก้วมาจากที่ห้องเก็บของเดี๋ยวนี้เลยเ อ, ค ร, นอนครับแน่นอนครับแน่นอนห้องนั้นเป็นห้องที่มืดที่สุดในบ้านนี่คือที่ที่พวกเขาเก็บของที่ไม่ต้องการเอาไว้แต่ห้องเก็บของของนายพลมีอะไรที่มากกว่าในคืนนั้น oh. <c oughs> ร v v ู้ส um ึกว่องไวมึนๆใช่ใครจะรู้ว่าการบินวนๆแล้วจะทำให้เป็นแบบนั้นกันล่ะโอ้โอ้เป็นอะไรไปน่ะนี่เธอเปิดหัวเหรอมาบินวนๆแบบนี้ด้วยกันไหมล่ะออทำไมฉันจะต้องดูแลเธอด้วยนะ เธอเป็นผู้ช่วยเรื่องโชคลาภไม่ใช่ฉันนี่มันไม่แฟรเลยโอ้ฉันขอโทษจริงๆแต่ว่านางฟ้าโชคลาภลา ง, งานอยู่ฉันมาแทนที่เธอจนเธอกลับมาเท่านั้นเองเธอพูดว่าอะไรนะโชคลาภจะต้องได้รับการดูแลด้วยการเอาใจใส่โชคลาภจะต้องได้รับการดูแลด้วยการเอาใจใส่ เออแล้วก็รู้ไว้นะว่าวันนี้วันเกิดของฉันโอเคได้เราจะทำอะไรที่น่าสนใจก็แล้วกันนะโอ้ฉันดีใจมากเลยที่เธอพูดแบบนั้นฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะ นั่นอะไรเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมันในห้องเก็บของมาก่อนเลยมันเป็นของควัมของฉันให้กับเขามันไม่ใช่รองเท้าธรรมดานะมันเป็นรองเท้ากันน้าที่เลิศมากมันเป็นสิ่งที่นำโชคใครที่ใส่มันจะได้ความต้องการที่เขาอยากได้ทุกๆอย่างเลยเฮ้ยอะไรนะฮะทำไมล่ะมันมันไม่ดีเหรอไม่ มันเป็นความคิดที่แย่มา ก, ม, ากมันจะสร้างแต่ปัญหามนุษย์น่ะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรพวกเขาไม่เคยระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอ๋อคิดมากไปนะมันต้องดีแน่นอนคอยดูนะคอยดูฉันคอยดูแน่แล้วเธอก็จะเห็นพี่โฮจัดงานแขกก็เริ่มกลับบ้านไป อุ้มไม่ไมๆไม่ไ ม, ไ ม, ไม่นั่นไม่ใช่รองเท้าของเธอดูนั่นสิรองเท้าของเธออยู่เนั่นดางหากแต่เราเท้ากันฝนจะเลือกเจ้าของของมันเองโอ้ดีนี่คือสิ่งที่ฉันพูดถึงเลยไม่มีใครแครเมืองนี้หรือว่าแครกันเองนายพลพูดผิดมากฉันอยากจะให้ตัวฉันเอง กลับไปอยู่ในสมัยของราชาฮานจังโอ้เขาไม่ควรพูดแบบนั้นเลยเราน่าจะบอกนายพลว่าแขกไปกินของฟรีไม่ได้ไปหาเขาโ อ, โอ้นี่มันไม่แฟเลยทำไมถึงมีบ่อน้ำแบบนี้ที่ถนนเราต้องเช็คลองเท้าแล้วล่ะ บาทหายไปไหนเนี่ยเราเลี้ยวผิดเหรอเฮ้ยแล้วฝนหยุดตกตั้งแต่เมื่อไรระวังทางหน่อยนายนายแหละต้องระวังนายไม่ควรจะมาขี่ม้ากลางถนนนะอะไรนะเดี๋ยวชายคนนี้แก่แค่ไหนนะแล้วเขาใส่อะไรนะ ต้องไปงานปาร์ตี้แน่นอนทีมสมัยก่อนละมัง้งแล้วปาร์ตี้นี้งานที่ไหนนะทำไมฉันไม่ได้รับเชิญนายมาทำอะไรทีนี่เดยไม่ใส่ชุดกรอละฮะใจดีจริงๆที่ถามฉันแต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะไปงานปาร์ตี้แบบไม่ได้รับเชิญหรอกนะโอ้อะไรนะ น่าจะไปสงครามใครต้องได้รับเชิญกันล่ะอาณาจักรของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายและเรามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องมันด้วยชีวิตชายชนะจะเป็นของเราชายชนะจะเป็นของเราชายชนะจะเป็นของเราโอหพวกนายนี่สวมบทบาทได้จริงจังมากเลยนะอย่าทำเราเสียเวลาเอาเกราะไปให้เขาไม่มีหรอกเนอะ เอาดับกับโลกให้เขาก็พอโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ต้องเข้าใจผิดแน่ๆฉันไม่ใช่ตาหารนะไอฉันคิดว่าโจมตีโอ <c oughs> เขายังไม่ตายถ้าเขาไปเข้าคุกเขาเป็นศัตรูของเราไม่ไม่ไม่ใช่คุกไม่เอาไม่เอาเ อ, อเราเผลอหลับไปมันแย่มากๆากพวกนั้นเอาอะไรใส่อาหารนะโอ้เราคิดผิดสมัยนี้ดีกว่าสมัยหานเป็นแน่ๆนเลยใครจะชอบทำสงครามละ่ะอย่างน้อยตอนนี้เราจะได้กลับบ้านไปนอนดีดีสบายสบายที่เตียงของเรา โอ้โหใครเอาถังขยะมาเนี่ยเอามันไปทิ้งขยะจะดีกว่าโอ้โยนี่อะไรเนี่ยมันแปลกมากเราเอามันไปเก็บวางไว้ข้างในแล้วนี่อ๋อยอย่างนั้นก็ใส่หน่อยจะดีกว่าหนาวเท้ามากเลยโอ้โยอะอะไม่นะ อ, อ, อีกนิดนึง อย่าพูดแบบนั้นนะอย่าพูดแบบนั้นให้อยากจะให้เราตัวเล็กพอที่จะไปถึงถุงนั่นจังเลยอไม่แต่มันสายเกินไป โอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่มันนี่มันบ้ามากเราจะออกไปยังไงอเราตัวติดอเอเราจะทํำยังไงดีเราอยากจะให้ถุงขยะนี่ไม่อยู่ตรงนี้เลยอนี่มันหายไปไหนแล้วเนี่ยขอสิ่งที่ถูกต้องสิเจ้าโง่มันหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรา ใครก็ได้ช่วยเราด้วยเราไม่ควรจะเก็บถุงขยะบ้านนั้นมาตั้งแต่แรกเลยอะนั่นไงละ่ะฮะอย่ามายุ่งกับฉันฮะในถุงมีผีในถุงมีผีผอย่างที่นางฟ้าคิดว่าเรื่องแย่ๆจบลงแล้วยามก็เดินมาอะไรนะเกิดอะไรขึ้นใครร้องเนี่ยโอ้ ไม่มีใครอยู่เลยโอ้ยชีวิตอะไรกันขอพักสักสินาทีแล้วกันแต่ว่ามีคนร้องนี่โอ้แล้วนี่รองเท้าใครนะโอ้ว้าวมันสบายเท้าจังเลยมันน่าจะเป็นรองเท้าของนายพลเราไม่ควรจะรบกวนเขามันดึกแล้วเืินเขาพรุ่งนี้ก็แล้วกัน เฮ้ย โ, โชคดีจริงๆหน้าที่ได้เป็นนายพลบ้านใหญ่มีคนใช้เสมอตลอดเวลาชีวิตดีอยากจะแลกตำแหน่งกับเขาจังเลยเขาโชคดีกว่าเราโอ้ชีวิตดีมากเรามีบ้านใหญ่แล้วมีของหรูหราด้วย เราทำอะไรต่อไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ลาลาลาลาฉันรักชีวิตของฉันแล้วยามกลายเป็นชายที่มีความสุขที่สุดแต่ความรวยจะทำให้มีความสุขแค่ไหนกันโอ้ยเราเหงาและเบื่อมากเลยจะมีบ้านใหญ่ไปทำไมถ้าต้องตัวคนเดียวไปตลอดชีวิต เย้ยอยากจะมีเพื่อนจังยามคนนั้นมีความสุขกว่าเรามากมีครอบครัวให้กลับไปหาเราอยากแลกตําแหน่งกับเขาจังเขาโชคดีกว่าเราเยอะเลยโอ้ฝันแปลกมากเลยโอ้เราดีมากเลยที่มีชีวิตแบบนี้ อีกช่วโมองจะได้กลับไปหาลูกเมียเราโชคดีกว่านายพลมากเลยโอ้ดาวหางสวยมากที่ได้เห็นใกล้ๆแบบนี้เราอยากจะบินออกจากร่างไปพระจันทร์จังเลยมันจะรู้สึกยังไงบ้างนะไมโ่โอ้โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นนะเราตายแล้วเหรอไม่มันเกิดขึ้นได้ยังไง ช่วยด้วยแต่ใครจะช่วยเขาเขาบินขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่อยู่เขาขออะไรในสิ่งที่เขาไม่ต้องการจริงๆแต่รองเท้าไม่แคสุดท้ายเขาได้ฝันเป็นจริงตอนนี้เขาอยู่ที่ดวงจันทร์เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามตบหน้าตัวเองให้ตื่นจากฝันตอนนี้ โลกโลอยมาปรากฏตรงหน้าเขาเหมือนกับบอลลูกใหญ่เขากลัวมากและห่วงมากแต่เขาจะกลับไปหาครอบครัวไม่ได้เขานอนร้องไห้ที่พระจันทร์แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างของเขาล่ะสวัสดีบอกผมได้ไหมว่านี่กี่โมงแล้วโอ้โหอโอนี่คนนี้เป็นอะไรเนี่ยคนแปลกหน้าคนนี้เรียบเรียกนายพลและพวกเขาจึงรีบไปโรงพยาบาล บนเตียงนั้นหมอสงสัยเป็นอย่างมากทำไมชายที่สุขภาพดีอยู่นิ่งๆไปแบบนี้ล่ะเนี่ยอืมเราจะต้องตรวจเขาให้มากกว่านี้ทำไมเขาใส่รองเท้านั่นขึ้นเตียงล่ะพยาบาลถอดรองเท้านั่นหน่อยเออเออนี่หมอผมจะช่วยเองอือ วิญญาณของยามก็กลับมาฮ้โอโลกเฮาโลกเมียฉันลูกฉันจะได้กลับไปหาลูกเมียแล้วโลกมีความหอมหวานอ้เขาตื่นแล้วขอบคุณนะหมอผมไปแล้วนะท่านคะฉันวันนี้เป็นของยามเขานะคะอ๋อใช่ฉันจะคืนให้เขาเอง ฉันเหนื่อยที่จะต้องตามแล้วนะเราต้องรีบเอารองเท้ากลับมาก่อนที่ใครจะได้มันไปอีกครั้งก่อนนะนายพลต้องเก็บไว้ที่ไหนสักที่แหละเราจะเอามันคืนมาไม่ได้ตอนนี้ออคือว่างไงเธอดูเศร้าและเหงาจังนะแล้วไงมีอะไรเออมันหนาวนะ เธไม่มีรองเท้าด้วยแล้วเธอเนอะสนใจที่จะใส่รองเท้านิ่มๆไหมก็นะถ้าฉันขออะไรได้ดูไหมฉันจะขออะไรฉันจะขอให้มีบ้านอยู่และให้มีคนดูแลฉันนายไม่รู้หรอกว่าการเป็นเด็กข้างถนนมันเป็นยังไงดูจากการแต่งตัวของนายสินายอาจจะอยู่ในบ้านใหญ่กับครอบครัวอบอุน่นเออ ฉันมีบ้านหลังยายโกรธจริงแต่ฉันก็เหงาเหมือนกันฉันเข้าใจเจ้าหนูแล้วอยากจะมาอยู่กับฉันไหมละ่ะฉันน่ะไม่มีลูกชายและบ้านของฉันน่ะต้องการเด็กชายที่กล้าพูดแบบนี้อะไรนะจริงเหรอ <laughs> แน่นอนตามฉันมาสิขอใส่รองเท้านั่นได้ไหมมันใหญ่เกินไปนะ ฉันจะซื้อให้ไหมและฉันก็จะซื้อเสื้อผ้ากับของขวัญแล้วก็ของเล่นและขนมด้วยชอบมันไหมะ่ะฮะว้าวผมชอบขนมโอ้นั่นไงรองเท้านำโชคจริงๆด้วย <c oughs> ก็ใช่นะถ้าไม่มีใครใส่มันอย่าเหลืองไปหน่อยเลยเธอนะส่งคนขึ้นพระจันทร์นะ ไม่มีใครต้องการรองเท้านำโชคหรอพวกเขาต้องการกันและกันฮึ